เจตเด่นพท่านคณะบดีแล้วก็ทุกท่านการฟังธรรมนั่นแหละก็จะนำประโยชน์นำความสุขมาให้เราโรงพยาบาลก็มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็ต้องดูแลด้วยกันนี่ก่อนที่เราจะฟังธรรมนะเามาตกลงกันหน่อย ระหว่างหลวงพอ่อแสดงธรรมนัขอความกรุณาอย่าถ่ายรูปนะธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนการฟังเลคเชอร์ฟังเลคเชอร์นี่ผู้แสดงพ่อความทางวิชาการนี่เเตรียมข้อมูลมาธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยทแสดงกันด้วยใจจริงๆสมาธิของคนฟังเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าสมาธิของคนฟังเสียเนี่ยการแสดงธรรมจะชะงักทันทีเลย เราต้องมาร่วมมือกันสละเวลาของเราชั่วโมงกว่าๆนี้ให้กับธรรมะก็ามาฟังธรรมะด้วยใจที่สงบด้วยใจที่สบายด้วยใจที่รู้ตื่นเบิกบานถ้าใจของเราฟุ้งซ่านเราจะรับธรรมะได้ไม่ดีสมัยก่อนเวลาเรียนจากครูบาอาจารย์เวลาฟังธรรมนี้ท่านพานั่งสมาธิด้วยซ้ำไป นั่งสมาธิไปกำหนดของเราภาวนาของเราไปครูบาอาจารย์ท่านก็นแสดงธรรมธรรมะอันไหนที่สอดคล้องกับสภาวะทางจิตใจของเรานะจิตเราจะตื่นตัวขึ้นมาฟังเองนี่นเป็นวิธีเรียนที่แปลกนี่ของเราไม่ถึงขนาดต้องนั่งสมาธิฟังเราก็ฟังอย่างสบายๆไม่วกแวกไม่ฟุ้งซ่านไป ทีแ้กหลวงพ่อเห็นหัวข้อนะวาจะให้หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรความสุขในการทํางานหรืออะไรอใช่ไหมแต่นั้นแคบที่ท่านเสนอใหม่อันนี้กว้างกว่าเป็นประโยชน์มากกว่าคือการที่เราจะมีความสุขในการทํางานมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองถ้าเราสามารถมีความสุขได้ในทุกสถานที่ ในที่ทํางานหรือที่บ้านหรืออยู่บนถนนก็มีความสุขได้ น, นั้นแหละสมบูรณ์แบบอะเรียกว่ามีความสุขได้ทั้งวันมีความสุขได้ทั้งคืนทุกวันนี้ความสุขเป็นของที่หายากความสุขตกหายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใครๆก็วิ่งหาความสุขแต่หามันไม่เจอความสุขเหมือนเหมือนว่าจะหยิบมาได้นะแป๊บเดียวก็หลุดมือไปทุกทีไปมันอยู่ที่ความสุขตัวที่แท้จริงนะอยู่ที่ใจเราเอง กระทั่งร่างกายเราเจ็บป่วยคนสองคนเจ็บป่วยด้วยโรคอย่างเดียวกันคนหนึ่งเจ็บป่วยเฉพาะร่างกายจิตใจไม่ป่วยด้วยคนหนึ่งป่วยทั้งกายทั้งใจนี่หาความสุขไม่ได้เลยแต่ถ้าจิตใจของเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรากระทั่งร่างกายเราเจ็บป่วยเป็นมะเร็งจะเป็นอะไรจะตายมิตายแหละนะจิตใจที่มันฝึกดีแล้วนะัมันมีความสุข ดังจิตใจนี่เป็นของสําคัญมากเราต้องมาฝึกมาอบรมมาพัฒนามันให้ดีถ้าเราพัฒนาจิตใจได้ดีเนี่ยมันนําความสุขมาให้ความสุขที่มากมายความสุขที่นึกไม่ถึงของเราเคยได้ยินแต่ว่าทุกข์มากๆทุกข์ปางตายเรายังไม่เคยรู้จักสุขปางตายมีนะเวลา พาวนาไปเนะมันจะพบเลยมันมีสุขบางอย่างนะสุขปังตายเหมือนธาตุขันร่างกายมนุษย์มันรองรับไม่ไหวนะความสุขขนาดนี้ก็มีอยู่ น, ะนความสุขที่พวกเรารู้จักนะี่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอยความสุขชั่วครั้งชั่วคราวความสุขที่เป็นอมาตะมันมีอยู่อยู่ที่เราฝึกฝนใจของเราให้ดีพอถ้าใจของเราวุ่นวายนะโลกก็วุ่นวายนะใจขอเรามีความทุกข์โลกก็เครียดไปทั้งโลกเลย ใจเรามีความสงบโลกก็สงบนยะใจเรามีอิสระอย่างแท้จริงมีความสุขที่สุดเลยสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้รับความสุขนะที่ควรจะได้คือกิเลสนั่นเองกิเลสทุกวันนี้ไม่มีคนกเลสกิเลสอหาคนกิเลสกิเลสยากมีแต่คนส่งเสริมกิเลสเราลองเปิดหนังสือพิมพ์เปิดโทรทัศน์ดูนะมีแต่สิ่งยั่วกิเลสให้อยากได้นอนอยากได้นี่นะ ไม่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสความจริงแล้วถ้าเรามาหัดภาวนาเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เป็นศัตรูร้ายของชีวิตเราจริงๆก็คือกิเลสเองอาศัยกิเลสนี่แหละผลักดันจิตใจของเราดิ้นรนทุรนทุรายไปทุกวันทุกวั น, วนไม่เคยหยุดเลยจิตใจมีความหิวอยู่ตลอดเวลาร่างกายเรายังหิววละสองสามครั้งแต่จิตใจเราหิวตลอดเวลาเลยงั้นมันไม่มีความสุขหรอกกิเลสนั้นผลักดันให้ใจเราอยาก อยากโน้อนอยากนี้อย่างราคะความพอใจเกิดขึ้นเราก็อยากได้โทสะความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็อยากให้มันหายไปทุกสิ่งทุกอย่างนย่างน้ำตู้กรุงเทพเราไม่ชอบมันมีโทสะอยากให้มันหายเร็วๆ่าไแห้งหน่งความอยากเกิดดีไรความทุกเกิดทุกทีนล้นเรามาสังเกตวิธียังไงเราจะสู้กับกิเลสได้พระอราหันต์นั้นท่านชนะกิเลสละ กิเลสย่อมจิต ท, ท่านไม่ได้อีกต่อไปแล้วดท่านไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขมีความสงบมีความเบิกบานรู้ตื่นแช่มชื่นนะทั้งวันทั้งคืนร่างกายจะแกะ่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตใจท่านก็มีความสุขมีความแช่มชื่นเบิกบานอยู่อย่างนั้นแหละเพราะท่านไม่มีกิเลสถ้าเรารู้จักว่ากิเลสนี่เป็นของไม่ดีนะเป็นศัตรูของชีวิตเราอย่างแท้จริงไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นศัตรูของเราเหรอก บางคนชอบโทษคนอื่นแต่ว่าเพราะคนนี้แหละทําให้เราไม่มีความสุขเพราะสิ่งนี้ทําให้เราไม่มีความสุขที่จริงเพราะกิเลสมันเข่าใจเราใจเรามีความอยากเกิดขึ้นใจก็ไม่มีความสุขกิเลสไม่ใช่ของลึกลับอะไรหรอกกิเลสจริงๆมีอยู่3มตัว3ตัวใหญ่ๆเท่านนั้นเรียกว่าโลภะโลภะเป็นกิเลสตระกูลที่มันจะดึงสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเอง มีความรักเกิดขึ้นเราก็อยากให้คนที่รักมาอยู่ใกล้ๆเรารรกิเลสตะกนะูลโลภะมีอีกตัวหนึ่งนะตัวความคิดความเห็นอันนี้ไม่ใช่ความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเห็นอยากให้มันเป็นไปตามใจตามความคิดความเห็นของเราพวกพวกโลภะด้วยกันกิเลสพวกที่สองพวกโทสะ กิเลสชนิดไม่แช่มชื่นใจอยากผลักทุกสิ่งทุกอย่างให้กระเด็นออกไปนะก็มีหลายตัวอย่างความกโกรธก็เป็นโทสะกลุ่มของโทสะความอิจนชะ้าเวลาความอิดชา้นะเ า, า, ดชาเกิดนะจิตใจไม่แช่มชื่นเป็นตะกูลโทสะความตรนะหนีก็เป็นพวกตระกูลโทสะความกังวลความกลัวพวกนี้พวกโทสะนะส่วนใหญ่ของเราที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้นะโทสะเยอะมากเลย กระทบกระทั่งกันรลนแรงใจเราเต็มไปด้วยโทรธสั์กิเลสอีกพวกหนึ่งพวกหลงมีความฟุ้งซ่านหลงไปความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พูดในทางตำลางก็ฝังยากถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงๆไม่ยากเท่าที่คิดหรอกกิเลดเกิดที่จิตเราให้เรามีสติคอยรู้เท่าทาันจิตของเราไปเรื่อยๆกิเลสไม่เกิดที่อื่น ที่เลตเกิดอยู่ที่จิตของเราเองเนี่เองใครๆก็รู้จักความโกรธคนไหนไม่รู้จักมีไหมใครรู้จักความโกรธไหมมีไหมใครรู้จักความโลภบ้างมีใครรู้จักความหลงฟุ้งซ่านอะไรนี้เป็นบ้างรู้จักทุกอย่างนะใครอิจฉาเป็นมีไหมใครอิจฉาเป็นเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อเป็นหมอที่นี่นะหลวงพ่อเห็นคณบดีอวิจฉานะ ทำไงเราจะได้เป็นคณะบดีบ้างความอิจฉาเราก็รู้จักใช่ไหมความกังวลรู้จักไหมกัง ว, วลวันหนึ่งกัง ว, วลเยอะมากเลยนะคนยุคนี้กังวลมากเครียดมากความกลัวกลัวใครๆก็กลัวเป็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นเรื่องง่ายๆคนทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าดูกิเลสไม่เป็นแต่ว่าละเลยที่จะดูเท่านั้นเอง หลวงปู่ ด, ดูลยรเคยสอหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติถ้าเราจะปฏิบัติทําจริงๆเราจะคอยรู้ทันกิเลส จ, จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าพวกเรารู้ได้ทุกคนอยู่แล้วความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันว่ากําลังโกรธนี้ส่วนใหญ่ไม่ไม่ยอมรู้พอความโกรธเกิดขึ้นนะมันจะไปสนใจคนที่ทําให้โกรธอย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราความโกรธเกิดขึ้นในใจเราเราไม่ดูหรอก เราจะไปดูด้คนนี้แหละมันปาดหน้าเราก็าไปปาดคืนไม่ก็กดแตรด่ามันความรักเกิดขึ้นใช่ไหมหรือความโลภเกิดขึ้นเราไปเดินศูนย์การค้าเห็นโทรศัพท์มือถือใหม่ๆสวยความอยากได้เกิดขึ้นเราไม่ดูว่าใจกําลังอยากเราจะสนใจดูแต่โทรศัพท์หรือไปดูแคตตาล็อกมันไม่สนใจดูใจของเราเอง กิเลสอยู่ที่ใจถ้าเราคอยรู้เท่าทันใจของเราเองบ่อยๆนะเราก็จะเห็นกิเลสไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรไม่ใช่เรื่องยากอะไรใครๆก็ดูเป็นหลวงพ่อสอนนะกระทั่งเด็กเล็กๆนะเด็ก7ขวบเด็กอะไรนี้นะเห็นกิเลสได้เยอะแยะเลยนั้นเราคอยมาคอยสนใจนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทัน ความโรบเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันความกโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันความฟุ้งซ่านความปดหูเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ไปด้วอยทันทีที่เรารู้ทันมันมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสถ้าเมื่อไร่มีสติเมื่อนั้นกิเลสจะดับทันทีเลยสติเป็นตัวรู้ทัน ความโกรธเกิดขึ้นในใจเราเรารู้ทันปุ๊บว่าใจกําลังโกรธอยู่นะไม่ต้องไปทําอะไรเลยความโกรธจะดับอัตโนมัติเลยความโลภเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันความโลภจะดับอัตโนมัติเลยความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านก็ดับอัตโนมัติมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะให้เราคอยรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยๆนะนี่ความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งหลายมันเกิดตอนไหนบ้าง มันเกิดตอนที่ตาเรามองเห็นเกิดตอนที่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดขึ้นตอนที่ใจเป็นคิดนึกปรุงแต่งในกิเลสมันได้ช่องทํางานตอนที่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองให้เราคอยมีสติไว้เวลาตาเรามองเห็นรูปเช่นเราเห็นสาวๆ ส, สวยๆเดินมาราคาเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันไม่ใช่รู้ว่าสาวเดินมานะ รู้ทันที่จิตนี่เห็นเลยราคามันเกิดขึ้นเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวใจมันกลัวมีสติรู้ทันเห็นความกลัวนี้ความกลัวก็ดับไปเราก็มีสติปัญญาทําไงจะหลบหลบหลีกหมาบ้าได้ไม่ใช่อุเบกขานะอย่างนั้นโง่ไปแล้วหมาบ้าวิ่งมาแล้วสัตว์แต่เวรแต่กรรมอย่างนั้นลัตียอมจำนนแล้วไม่ใช่าศาสนาพุทแล้วไม่มีปัญญารักษาตัวเองแล้ว ให้ตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาเรากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเลยนะคอยรู้ทันไปเรื่อยมันจะเกิดได้ทั้งวันนะ่ะเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงการที่เราคอยรู้ทันนะกิเลสจะหายไปเองมันจะหายเองอย่างทันทีที่เรารู้ว่าโกรธความโกรธจะหายไปถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตบ่อยๆเนี่ยศีลมันจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นเองเลยศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นก็ควรทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะว่ากิเลสมันครอบงําจิตได้ถ้าเรารู้ทันนะกิเลสเกิดที่จิตปุบรู้ทันปับ๊บนะกิเลส ด, ดับรับรองไม่ผิดศีล น, นะงั้นเราคอยสังเกต ด, ดูเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆเลยที่เราจะทําให้เกิดศีลขึ้นมารักษาศีลขึ้นมาจะพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องยากนะสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสตัวหนึ่ง ถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจอย่างใจเราฟุ้งซ่านวักแว็กวักแยกไปน้นไปนี่นะให้เรามีสติรู้ทันว่าใจกําลังฟุ้งซ่านอยู่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจว่ากําลังฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับความฟุ้งซ่านของจิตนั่นก็คือจิตมันกระโดดไปตะครุบอารมณ์น้นทีอารมณ์นี้ทีนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มันตะครุบอารมณ์ที่บ่อยที่สุดเลยนะคือตะครุบความคิดจิตของเราหลงไปคิดทั้งวันเลย เวลาที่มันคิดไปเนี่ยจิตเราจะฟุ้งซ่านเพราะเราจะลืมกายลืมใจของเราเองเมื่อไหรลืมกายเมื่อไรลืมใจเรียกว่าขาดสติงั้นเวลาที่จิตลงไปคิดเนี่ยก็คือจิตมันฟุ้งซ่านไปแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองให้เรามีสติรู้ทันนะว่าจิตหลงไปคิดแล้วแค่นี้เองความรู้สึกตัวเขจะเกิดขึ้นความตั้งมั่นของจิตคือสมาธิก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีที่ทําสมาธิที่ง่ายที่สุดแล้ว ครรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั่นแหละจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยในเม็เราแค่คอยมีสตินะครรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตศีลอัตโนมัติมันก็เกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดือถ้าเรารู้ทันความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นที่จิตนะศีลมันจะเกิดขึ้นเองถ้าเรารู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองถัดจากนั้นเราก็มาเจริญ ปัญญาสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญานี้เป็นเครื่องมือล้างกิเลส ช, ชั้นละเอียดคือความโง่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยความโลภความโกรธอะไรนี่เป็นกิเลสเล็กน้อยกิเลสตัวใหญ่ที่สุดเลยที่บงการครอบงําชีวิตเรานะัคือโมหะความหลงหัวหน้าของความหลงชื่อว่าอาวิชชาใครๆได้ยินชื่ออวิชชาบ้างมีไหมรู้จักไหมอวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจอย่างเงี้ยเราก็รู้ทางทฤษฎีนะไม่รู้อริยสัจก็ไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าขันห้าคือทุกขไม่รู้หน้าที่ต่อทุกว่าหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ไม่รู้วิธีที่จะรู้ทุก์ไม่รู้จักสมุทัยอะไรเป็นสมุทัยตัณหาคือความอยากเป็นสมุทัยไม่รู้จักหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละ สิ่งเหล่านี้ต้องเรีย น, นต้องเรียนนี่วิธีที่จะทําให้เราเกิดปัญญาทำลายอวิชชาลงไปได้ถ้าเราดูให้ดีอวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจข้อแรกคือไม่รู้ทุก์สิ่งที่เรียกว่าทุกคือกายกับใจของเรานี้แหละถ้าพูดเต็มยศไหนก็คือรูปนามคือขันห้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้คนทั่วไปฟังรู้เรื่องก็คือกายกับใจของเรานี้ แต่จะไม่ตรงสภาวะทีเดียวนะเป็นการเรียกว่ากายกับใจนี่เรียกโดยอนุโลมเอาจริงจริงมันไม่ตรงกับคำว่ารูปนามแท้ๆหรอกวิธีการที่เราจะเกิดปัญญาทำลายความโง่ได้นะก็คือคอยรู้ทันนะรู้ทันกายรู้ทันใจเราต้องมาฝึกก่อนที่เราจะมาถึงขั้นเจริญปัญญาได้เราต้องมาฝึกจิตให้มีสมาธิซะก่อนถ้าไม่มีสมาธิ จะไม่มีปัญญาแต่สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยไม่เหมือนสมาธิที่ใช้ทําสมถะสมถะเนี่ยทำไปให้จิตสงบนะอย่างเราหัดพุทโธพุทโธจิตอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยอันนี้เราได้ความสงบได้สมถะเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตไม่หนีไปจากลมหายใจอันนี้ได้สมถะเราดูท้องผองยุบจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตอยู่กับท้องอันนี้ได้สมถะได้ความสงบเฉย มันมีสมาธิชนิดหนึ่งนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธินี้ได้มาด้วยวิธีที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะถ้าจิตเราหลงไปคิดเรารู้ทันปุ๊บเราจะหลุดออกอย่างโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนยะโอกาสที่เราจะเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยก็เป็นไปได้ ถ้าเราลืมกายลืมใจตัวเองมัวแต่ค no. ิดเรื so ่องน้นเรื่องนี้นะลืมกายลืมใจที่อยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้การเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนั้นถ้าเราใจลอยสิอย่างเดียวจิตใจเราฟุ้งไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรามีกายเราก็ลืมกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะอย่าว่าแต่จะเห็นความจริงของกายของใจเลย แค่รู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจยังลืมมันเลยสังเกตดูเวลาที่พวกเราคิดเรื่องนนเรื่องนี้สังเกตไหมเวลาที่เราหนีไปคิดเรามีร่างกายแต่เราลืมมันนะเรามีจิตใจแต่เราลืมมันเราลืมตัวเองตลอดวันเลยเนี่ในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเป็นขั้นที่ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวนั่นแหละจิตที่ใจที่อยู่กันเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่สมาธิสงบอยู่เฉยๆนะส่วนใหญ่ คนไม่รู้จักสมาธิชนิดนี้สมาธิมี2ชนิดชนิดที่1เนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอรรมนูปนิชฌานใช้ทําสมถะเช่นพุโทโธพุโทโธจิตไม่หนีไปไหนหายใจไปจิตไม่หนีไปไหนอยู่แต่ลมหายใจอันเนี้ยสมาธิชนิดที่เพ่งอารมณ์อยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในทําวิปัสสนาเจริญปัญญาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดู จิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เหมือนสมัยก่อนนะเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปที่ไหนที่ไหนท่านพูดคําว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้คําว่าจิตผู้รูนะ้เดี๋ยวนี้หายไปแล้วมันไม่มีจิตที่มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้อง เป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาส่วนจิตที่สงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้ใช้ทํามิปัสนาจเจริญปัญญาอะไรไม่ได้เอาไว้พักผ่อนพลางานกันงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีก็บอกแล้วนะให้คอยรู้ทันเวลามันหนีไปคิดแต่อยู่ดีๆเนี่ยเราจะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเนี่ยมันยากงั้นเบื้องต้นเราต้องช่วยมันนิดหนึ่งนะ หากรรมฐ า, านมาสักอันหนึ่งอาจอาจะพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องฟองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับพุทโธไม่ใช่ให้จิตไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ได้ให้จิตนิ่งอยู่กับท้องพุทโธไปหายใจไปดูฟองยุบไปอะไรก็ได้กรรมฐ า, านนะแล้วค่อยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทัห น, รนหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน ดูท้องพองยุกไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเปนจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละถ้าเรารู้ทันนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้อันนี้ต้องลองฝึกดูนะตัวนี้สําคัญมากเลยมันเป็นตัวแตกหักเลยว่าพวกเราจะเข้าถึงมรรคนิพพานในชีวิตนี้หรือไม่ถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเราไปนั่งสมาธิให้ตายนะ ไม่เกิดปัญญาหรอกคนละเรื่องกันเลยนะหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบนะนั่งอยู่22งปีนั่งอยู่จนอายุ29นั้นนั่งสมาธิในว่องไวนะฝึกจิตฝึกอะไรนิ่ให้สงบนี่เรื่องง่ายมากเลยแต่มันไม่เกิดปัญญาเชื่อทั้งวันหนึ่งมาเจอสมาธิชนิดที่จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะจิตมันเป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกดู ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นของถูกดูกุศลน่กุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จิตเป็นของถูกดูจิตเองก็เป็นของถูกดูเดี๋ยวจิตก็ไปรู้อารมณ์ทางตาเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ไปรู้ทางหูเดี๋ยวจิตก็ไปคิดเดี๋ยวจิตก็ไปเพ่งจิตชนิดโน้นจิตชนิดนี้นานาชนิดของจิตล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้เราจะไม่สามารถเจริญปัญญาได้เจริญปัญญาไม่ได้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะคือไม่มีทางจะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษ์สิ่งที่เรียกว่าความจริงของกายของใจคือไตรลักษ์นะไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่ปฏิกูณสุภะความจริงของกายของใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง ถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะจิตจะเบื่อจะรู้สึกเลยร่างกายนี้เป็นของไร้สาระจิตใจเองก็เป็นของไร้สาระที่ท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็คือหมดความยึดถือในกายในใจนี้แหละเพราะฉะนั้นตัวที่จะชี้ขาดเลยนะว่า ตัวแรกเลยว่าเราจะมีโอกาสได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้ไหมก็คือจิตของเราตั้งมั่นจริงหรือเปล่าหรือสงบอย่างเดียวจิตสงบไม่ไปนิพพานหรอกคนละเรื่องกันเลยนะต้องจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูศนะาสนาพุทธก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเองไม่ตนะ้อมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจของเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามที่เราถนัด แต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบแต่ทำเพื่อรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านกลับข้างกันนิดเดียวไม่ได้น้อมให้มันนิ่งแต่คอยรู้ทันเวลามันไหลไปมันฟุ้งไปเช่นพุทโธพุทโธหนีไปคิดรู้ทันพุทโธมันมาเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่รู้ทันรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปกับกับความคิดหลงไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทัน ดูท้องพองยุบอยู่จิตนี้ไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันเดินจงกรมอยู่จิตนี้ไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันคอยรู้ทันจิตอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าจิตตะศิกขาเคยได้ยินคําว่าจิตตะศิกขาไหมเราน่าจะคิดว่าการนั่งสมาธิคือจิตตะศิกขานั่นยังไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยมีแต่ทาให้จิตนิ่งไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยถ้าจะเรียนจิตตะศิกขาจริงๆเพื่อจะเดินไปสู่ปัญญาศิกขาต้องเรียนเรื่องจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละ รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตจะเป็นคนดูพอสติเราลึกรู้ร่างกายนะจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติเกิดไประลึกรู้ความสุขความทุกข์ทางกายมันก็จะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ทางกายนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตด้วยถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่แล้วกิเลสเกิดขึ้นสติระลึกรู้ทันว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยกิเลสไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขากิเลสเป็นแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตถ้าตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายนะรู้รูปรู้เวทนา รู้สัญญารู้สังขารคือความปรุงต่างๆเนี่ยรู้วิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเห็นทั้งหมดนั่นแหละเกิดแล้วดับทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขานี่คือวิธีเจริญปัญญานะทําไมต้องมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราอันนี้ออกเป็นส่วนๆแยกเป็นขันหนะ้าวิธีที่จะทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราความเห็นผิดว่ามีตัวเรานี่แหละเป็นความโง่นะ เป็นความไม่รู้ที่รายกาศตัวหนึ่งเลยเราจะทำลายความรู้สึกว่ามีตัวเราได้นะด้วยการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเหมือนเราคิดว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆล้วก็จะพบว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใครเห็นว่าลูกล้อเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนละใช่ไหมใครเห็นว่าพวงมาลัยเป็นรถยนต์บ้างก็เพี้ยนละแต่รถยนต์มีพวงมาลัยรถยนต์มีลูกล้อแต่ลูกล้อหรือพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่หแต่รถยนต์มีเครื่องยนต์เหมือนตัวเราอันนี้แหละตัวเราประกอบด้วยขันห้าแต่ขันห้าไม่เป็นตัวเราสักันเดียวเลยงั้นการที่เรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเรียกหัดแยกธาตุแยกขันเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะเจริญปัญญานะเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยเราถึงจะแยกขันได้อานะจารย์มหาบัวเคยสอนนะว่า ถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเลยนะว่าเจริญปัญญาอยู่ไม่ได้เจริญจริงหรอกนะต้องแยกธาตุแยกขันได้แยกธาตุยังไงร่างกายเนี่ยเป็นธาตุดินน้ําไฟลมใช่ไหมแยกขันนะอย่างจิตใจของเราเนี่ยเป็นเวทนาขันเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ใช่ไหมเป็นสัญญาขันเป็นความจําเป็นสังขารขันเป็นความปรุงดีปรุงชั่วเป็นวิญญาณขันความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พอแยกธาตุแยกขันออกไปนั่นก็จะพบว่าไม่มีคนในร่างกายก็เป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเรานะในทางจิตใจก็เป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นความจําเป็นความคิดปรุงแต่งนะคิดดีคิดร้ายก็เป็นความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้กนกายใจไม่มีคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะแล้วเราก็มีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ในกายในใจของเราไปเรื่อยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเราันนั้นเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่ตัวเราอี่แต่ก่อนเราคิดว่าเราโกรธเวลาโกรธใครเราก็คิดว่าเราโกรธพอมาหัดภาวนานะเราแยกได้เลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็จะรู้เลยว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นสภาวะธรรมที่แปลปลอมเข้ามา ในที่สุดนะถ้าเราได้หัดเจริญสติเจริญปัญญาแบบนี้เนืองๆนะทำไปเรื่อยๆมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นความสุขทุกข์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะโลบโกรดหลงต่างๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเห็นจิตวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจเห็นซ้าแล้วซ้ำอีกนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเนี้ย จิตมันจะปิ้งขึ้นมามันปิ้งขึ้นมาเองนะมัรู้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ของที่เกิดแล้วดับของที่เกิดแล้วดับเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเกิดแล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ทางกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจเกิดแล้วก็ดับกุศลหรือโลภโกรธลงเกิดที่ใจเกิดแล้วก็ดับอีก จิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับเนี่ยเราค่อยๆดูไปนะแต่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นให้ได้เสก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่ได้เจริญปัญญาเ น, ในี่ยนาอภิธรรมจะสอนว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิชนิดนี้ไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเราชอบแปลสมาธิว่าสงบนะเราแปลผิดนะไปเปิดพรจันานุกกลมดูให้ดี สมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของอะไรของจิตนั่นแหละจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปไม่แสบสา่ไหลไปหลงไปเผลอไปลืมตัวเองจรู้สึกตัวอยู่ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วนะจุดแตกหักจุดที่สองที่ว่าจะได้มากฝนในชีวิตนี้หรือไม่ก็คือเจริญปัญญาหรือไม่จิตที่ตั้งมั่นนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับการเจริญปัญญา ยังไม่ได้เจริญปัญญาเพราะงั้นรู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้เจริญปัญญานะการเจริญปัญญานั้นจะเริ่มต้นด้วยการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกันนะวิธีแยกอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยค่อยๆทำใจเป็นคนดูนะอย่าหลงไปคิดอะไรฟุ้งซ่านนะคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราจะเห็นล้าค่อยๆดูลงไปที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกนี้เรื่อยๆ เวลาเดินอยู่ก็คอยทาความรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเวลานอนก็เห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูนะให้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆซ้อมทุกวันทุกวันนะไม่นานก็แยกออกมาให้ดูเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะจะเห็นร่างกายนั่นแหละเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าฝึกได้ขนาดนี้ยังไม่ถึงจะได้มากผลเลยนะเวลาใกล้ตายก็ใช้ได้ผลลนะเวลาจะตายเวลาเจ็บร่างกายมันเจ็บใจเป็นคนดู เวลาจะตายร่างกายมันจะตายนะใจเป็นคนดูมันจะไม่ทุรนทุรายแล้วนะนี่ได้ปัญญาเบื้องต้นยังไม่ได้มากได้ผลเลยก็ยังดีวิเศษขนาดนี้แหลนะเราค่อยๆฝึกไปด้วยนะเรามีบททดสอบนะเวลาไปหาสัตแพทยนะ์ดูง่ายที่สุดเลยเมอหมอก็ ม, อามากรอฟันล้วมาทำอะไรเนี่ยนะทำได้ไหมใจเป็นคนดู <c oughs> ยากหน่อยน ะ, <c oughs> ะมันหวาดเสียวใช่ไม ประวัตเสียวนะจิตที่รวมเข้ากับความกลัวเลยคนระาวนี้แย่เลยนะเครียดนะถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูนะหมอก็ทำที่ร่างกายนะจิตเป็นคนดูจิตไม่ทุกข์ด้วยนะแต่ความเจ็บมีไหมมีเพราะเวทนาต้องมีรูปต้องมีเวทนาต้องมีเห็นไหมเนี่ค ย, คยค่อยค่อยหัดไปนะแล้วอยู่กับโลกก็ยังดีสมไปละ เวลาความโกรธเกิดขึ้นมาจะทะเลาะกับเมียนะเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาต้องโกรธไม่ใช่เราเราเป็นของแปลกปลอมเข้ามาครอบงาใจไม่ได้ไม่ตีกันในบ้า น, นอยู่ในที่ทํางานเป็นหมอเป็นพยาบาลมาเช้ามานะโอ้ยคนเต็มโรงพยาบาลเลยเห็นเราก็เครียดนะยังไงก็เครียดมันเยอะเหลือเกินทารักษากันไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยเขรู้ทันใจที่เครียดใจที่เครียดแล้วถ้าจะช่วยมันนิดหน่อยจเจริญเมตตา แต่การจเจริญเมตตาเป็นสมถะนะเป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสนาฉพอเราตอนเย็นเราไปเปิดคลินิกนะเห็นคนไข้เต็มคลินิกดีใจนะออกับข้างกันนะคนไข้เต็มโรงพยาบาลไม่ดีใจอะ่ะคนไข้เต็มคลินิกดีใจนี่ยเราคอยรู้ทันมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกการปฏิบัตินะเรื่องธรรมดาธรรมดานี่งอย่าให้ใจฟุ้งไปวันวันแนละ้วคิดโน้นคิด น, น, ดนี่คิดอดีตคิดอนาคตนะลืมตัวเองไปเรื่อยนะัเลีกใจไม่มีสมัครที่ ให้คอยจิตใจอยู่กับตัวเองเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นดับไปใจเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นดับไปใจเป็นคนดูทาตัวเป็นคนดูเรื่อยคาว่าวิปัสสนานะมันจะคาว่าวิกับคว่าปัสนะปัสนะว่าการเห็นเห็นอย่างเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นอย่างวิเศษเลยก็เห็นกายเห็นใจมันแสดงใตรักไป มีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ยากนะไม่ยากเลยถ้ารู้วิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากขั้นแรกฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองก่อนจิตหนีไปคิดทู้ทานจะได้สมัครที่ถัดจากนั้นมหัดแยกเลยร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นคนดูอยู่ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูมหัดแยกไปเรืย ต่อไปมันจะเดินปัญญาเองจะเห็นเลยร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากุศลอกุศลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากุศลอกม่เทงเนทะุอนัตจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยไม่ยากหรอกที่ยากเพราะไม่รู้วิธีเพราะพระเจ้านั้นคนพบวิธีมาแล้วนะเอามาบอกต่อพวกเราก็เรียนเอามันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกหลวงปู่ดูลยถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ คนปฏิบัติก็คือคนเรียนรู้ตัวเองนะมันไม่ยากถ้าจะเรียนรู้ตัวเองตัวเรามันมีอยู่แล้วกายเราก็มีอยู่แล้วเราก็ดูไปใจเราก็มีอยู่แล้วก็ดูไปนะมันล่าเลยที่จะดูเท่านั้นเองหัวแต่ดูของอื่นไม่ดูตัวเองแค่นั้นแหละนะเอาละพอสมควรนะเกินไปนาทีหนึ่งใครมีความสุขบ้าง ขณะ น, นี้ใครมีความสุขช่วยยกมือซิแล้วสังเกตนะเห็นไหมว่าความสุขลดลงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยพอหลวงพ่อหยุดเทศนะ์มีความสุขเลยพอถามกรรมฐานปุ๊บนะความสุขหดหายความจริงการฟังธรรมะนะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขนะธรรมะภาคปฏิบัตินี่เป็นของอัศจรรย์มากเลย ถ้าเราฟังนะเราจะได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานได้ความแช่มชื่นใจใจเราจะโปร่งรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขณะ น, นี้ส่วนใหญ่รู้สึกไหมดูไปอีกพักหนึ่งนะ้ำจะแน่นทำไมมันแน่นเพราะจงใจดูนะเพราะมันโลภความโลภมันเกิดแล้วจงใจดูเนะนี่ยมันจะยากอะไร ความรู้สึกในใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูเราก็ดูเป็นแต่เราลาเลยเราไม่รู้่าเนี่ยของวิเศษอยู่ตรงนี้แหละถ้าเฝ้ารู้จะเห็นแต่วความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยหลวงปู่มั่นเนี่สอนหลวงปู่ดูลมาอย่างเนี้ยหลวงปู่ดูลมาสอนหลวงพ่อก็สอนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอานิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาคือความจําทั้งหลายไม่เที่ยง สเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสังขารก็คือความปรุงของจิตนี่เองปรุงดีปรุงชั่วนะถ้าพูดเต็มยอศก็มีเวทนาอยูตัวความสุขความทุกข์ดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละคือการเจริญปัญญาการดูจิตไม่ใช่ไปการเพ่งจิตให้นิ่งนะการเพ่งจิตให้นิ่งมันคือการทําสมถะ การดูจิตถ้าจะให้เกิดปัญญาก็คือดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตและสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอะไรเกิดร่วมกับจิตบ้างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลที่เกิดร่วมกับจิตจิตเองก็เกิดดับทางทว า, ทา 6, รทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนี้ถึงจะเรียกว่าการเฉริญปัญญาอย่าไปคิดว่าการดูจิตคือการเพ่งจิตเอาไว้นิ่งๆอันนั้นเป็นการทําสมถะกรรมฐานถ้าเพ่งจิตไปเรื่อยๆนะ่ะไปอรูปฌานจะได้อรูปฌาน ถ้าเพ่งกายไปเรื่อยๆก็ได้รูปประฉานได้สมถะพอสมควรเชิญถามนมัส ก, การครับหลวงพ่อครับเอหลวงพ่อครับเ อ, อเหมือนกับเวลาเราช่วงไหนที่ปฏิบัติต่อเนื่องนานๆนะครับบางทีแบบเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นข้างหน้าเราเหมือนพยับแดดอะครับเหมือนมันจะแยกแยๆออกจากกันอย่างนี้ อ, อย่าไปจงใจให้มันเป็นนะถ้ามันเป็นก็แค่รู้ครับ ถ้ารู้เราก็กลับมารู้เท่าทันใจของเราไม่หลงออกนอกไม่งั้นใจเราจะออกนอกไปลอยๆออกไปแล้วจิตเป็นชอบสอนธรรมะเลยครับสอนทั้งวันเนี่ยใรู้ทันเลยว่ามันฟุ้งซ่านครับนะมันฟุ้งซ่านในธรรมะนะครับจิตที่พูดธรรมะทั้งวันเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสชนิดหนึ่งครับแล้วมันฟุ้งในธรรมะให้เรารู้ทันว่าฟุ้งซ่านครับอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อใช่ไหมครับไม่เชื่อเวลาเดินเดือมันบอกว่าเวลาโกรธใครบอกโกรธแล้วเห็นไหม อ๋อ é, ถ้าอย่างนั้นมันแค่ภาคไม่สื่นขนาดสอนอ๋อแต่บางทีก็จะสอนแบบตื่นมาปุ๊บสอนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วพอไปเปิดประตปิปฎติฎกปรากฏว่าตรงเป๊ะเลยเงี้ยเออนั่นไม่เอาวางเลยนะครับวางเลยนะคแค่เห็นเลยว่าจิตเนี่ยเป็นอนัตตามันพูดได้เองนะครับมันคิดได้เองมันพูดได้เองตรงนี้สําคัญกวา่าอีกครับเพราะจิตเนี่ยมันมีจิตที่สดานมากเลยทีมันก็รู้อดีตรู้อนาคตนะคนคิดอะไรบางทีมันก็รู้อะไรเงี้ยครับความรู้สึกของคนอื่นเป็นไงมันก็รู้อะไร มันวิจิตพิสดาล น, นะ <Okay. S 2> แต่ว่าไม่ไม่ใช่สาระสําคัญครับสาระสําคัญก็คือจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตา <Okay. S 2> นะดูตัวนี้นะรู้แค่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาคือสิ่งที่แทรกเข้ามาเฉยๆใช่ไหมครับใช่ใจเราเป็นแค่คนดูถ้าอะไรที่ไม่ใช่แล้วก็ทิ้งไปเลยถึงจะทิ้งหรือไม่ทิ้งนะทู้อย่างมาแล้วก็ไป <Okay. S 2> นะดูอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องเจตนาทิ้งหรอกมันทิ้งเรา <laughs> มันไม่อยู่หรอก อถ้าลงพนั่งเก้าอี้เลยไม่ต้องมาลากนี่หรอกอ๋อค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเหมือนแบบมันเวลาโกดก็จะมีตัวเวียงปุ๊บกลับเข้ามาแล้วก็มุนๆแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบกดแล้วมันมันอยู่กับที่อะค่ะเห็นแยกๆอยู่กับที่ค่ะแล้วก็ถ้านั่งสมาธิมันก็เหมือนจะเห็นมีใครดูเราอยู่แเรานั่งนั่งเฉยๆอย่างนั้นใช้ได้ค่ะคือมันมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะนั่นแหละดี แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นกิเลสเกิดขึ้นก่อนอย่างแบบอยากกินอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นความอยากเกิดขึ้นว่าอยากกินแล้วนะแต่แต่ก็ก็กินไปแล้วก็ก็เหมือนกินะคือเวลากิเลสเกิดหรือความอยากใดๆเกิดเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันความอยากจะดับแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือสติปัญญาละตอนนี้หิวแล้วะอยากกินเรารู้ทันว่าอยากความอยากดับแต่ความหิวยังอยู่อันนี้ต้องกินนะออ ง่วงง่วงไม่ใช่กิเลสร่างกายมันเห น, น็เนืนอ่อยหดโรยนีย่ไม่ใช่เรื่องของกิเลสขี้เกียจนี่เป็นกิเลสถ้นะา ง, ง่วงแล้วขี้เกียจหรือง่วงแล้วหงุดหงิดให้รู้ทันกิเลสถ้าง่วงจริงก็นอนแต่ก็เหมือนก็รู้สึกว่ากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเหมือนกับมาพุดโธพุดโธในใจมากขึ้นแต่จิตต้องเข้าฐานเลยนะจิตอย่าให้กระจายออกนอก แต่ยังยังกระจายอยู่จัคนะ่ะไปดูถ้าจิตกระจายออกนอกมันจะไม่ย้อนมาดูกายดูใจถ้ามันทิ้งกายทิ้งใจไปก็คือมันทิ้งการเจริญปัญญาไปแต่การที่นั่งสมาธิแล้วสเห็นว่ามีตัวดูตัวเองอยู่นี้ก็คือดีก็ใช้ได้ น, ไนะแต่ว<า>่าไม่จงใจประคองตัวดูนะแค่ตัวดูมีอยู่เราไม่ประคองอหลวงพ่ออาจารย์เป็นโยมนะฝึกตั้งแต่ปีสองห้านะ เจหลงปูดุลฝึกน mm ่ะ hmm. จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครูบาอาจารย์บางองค์อย uh ่างหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อเจอหน้าก็เรียกผู้รู้ผู้รู้ได้เป็นฉายาไปแล้วว่าผู้รู้เพราจิตมันเป็นผู้รู้อยู่ทั้งวันเลยเราฝึกให้ได้อย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้รู้เพื่อจะเป็นผู้รู้นะจิตเป็นผู้รู้เพื่อจะเจริญปัญญาต่อไปเพื่อเห็นธาตุเห็นขันมันทํางาน ส่นมากนะ้าทำแต่สมาธินิ่งวนึกนว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกกี่สิบปีก็ไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนัานรัสวางสมถะกับวิปัสสนาทาคนละแบบอาเิญอนงามรดการครับก็ส่งการบ้านในรอบ3เดือนนะครับก็ยังพยายามตามดูจิตไปทั้งวันแล้วก็ก่อนนอนก็สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมไปเท่าที่ทาได้ครับ อยากจะทราบว่าตอนนี้ที่ผมดูจิตอยู่นี่คือดูถูกไหมครับอย่างนี้ต้องถามตัวต่อตัวเห็นกิเลสไหมเห็นครับก็เห็นกิเลสแทรกแสงกิเลสไหมก็มีมีแรกครับแต่เราก็รู้ทันนะกิเลสใดๆเกิดขึ้นก็รู้ทันกุศลใดๆเกิดขึ้นก็รู้ทันความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นก็รู้ทันแต่รู้แล้วไม่แทรกแสง เงินถ้ารู้ทันแรกเลยรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันที่สองรู้ทันปฏิกิริยาของจิตที่มันหลงยินดียินร้ายใครเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้ไม่พลาดต่อแต่จิตต้องถึงฐานนะขณะนี้ถึงฐานไหมขณะนี้ไม่แน่ใจครับจิตอยู่กับตัวหรือจิตออกนอกตอนนี้อืน่าจะยังอยู่กับตัวครับอยู่ด้วยการบังคับไว้ไหมหรืออยู่อยากเป็นธรรมชาติมีน้ำหนักไหม มีครัอนะถ้ามีน้ำหนักเนียเพ่งอยู่ครับนี่เราก็ถือว่าจิตไม่ได้ตั้งมั่นแต่เราไปบังคับมันอยู่อ๋อต้องต้องสบายมากกว่านี้ยงครับจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่จิตผู้เคร่งเครียดครับต้องสบายนะดูไปสบายสบายแต่ไม่มีอะไรมตื่นเต้นแค่ตื่นเต้นคุยกับหลวงพ่อแล้วก็ไม่ทราบว่าผมสามารถที่จะดูกายกับกับจิตพอที่จะแยกกัน รอยงคับสังเกตหรือเปล่าว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจะมีเป็นบางครั้งครับ เ, เห็นเป็นบางครั้งก็ทำได้เป็นบางครั้งถ้าฝึกไปเรื่อยน้ะแยกทั้งวันเลยนะแต่เราไม่ได้จงใจแยกไม่ได้จงใจแยกผิดอีกมันแยกเองจะแยกด้วยความจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวนีเห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหว ครับร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเห็นเหมือนคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายไม่มีเรานะครับแล้วก็แยกกิเลสกับจิตแยกกันไหมยังเห็นไม่ชัดครับนะได้ฝึกต่อครับแต่ว่าเราไม่ต้องจงใจใช่ไหมครับไม่ต้องจงใจนะไปตามธรรมชาติเลยอือาศัยได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่แหละมันจะกระตุ้นให้จิตไปเฉลียวใจไ ป, ไปมองเองนะอยู่ดีๆเนี่ยพวกเราไม่เฉลียวใจไปมองอะ่ะ เราอาศัยได้ฟังธรรมเพราะเราไม่ใช่สัมมาสัมพุท ธ, ธะจิตเรามันไม่รู้เองหรอกแต่อาศัยได้ฟังธรรมเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นทําให้จิตเนี่ยฉเฉลียวใจตับมารู้ได้แต่ว่าไม่ต้องจงใจหรอกครับขอบขอบขอบคุณครัอย่าคิดเดยอะนะคิดเดยอะไปกราบนะมาตรการค่ะก็ฟังทีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติมาปีที่สามแล้วอ่า ปีแรกนี่ก็ความทุกข์รู้สึกมันหายไปเยอะเลย ป, ปีที่สองก็เริ่มรู้สึกทุกข์เริ่มเห็นทุกข์เยอะเลยแล้วทีนี้พอปีที่สามนี่รู้สึกแบบพอนั่งสมาธิแล้วมันมันหลับเยอะก็ไม่ไม่ทราบว่ามันจิตมันิมันเบื่อจิตมันเบื่อแล้มันเริ่มเห็นทุกข์มากมานะจิตมั น, มนเบื่อนะหนีอ๋อค่นะพยายามรู้สึกตัวพยายามรู้สึกตัวไปเรื่ยคือการภาวนาเ น, นี้ยเบื้องต้นเนี้ย จิตรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะที่มีความสุขมากเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถัดจากนั้นเรามาเริ่มเจริญปัญญาเราเห็นเลยกายนี้ก็ทุกจิตนี้ก็ทุกทั้งสามโลกกธาตุไม่มีที่ไหนเลยที่อย่างเท้าลงไปเราไม่ทุกนะแต่เห็นทุกนั่นแหละถึงจะเห็นธรรมแล้วทีนี้นั่งสมาธินี่มันจะหลับแบบนั่งสักชั่วโมงจากนั้นมันจะหลับบทีสองชั่วโมงสาชั่วโมงหลับแบบคอพับไปข้าง หาหมอนคอมาใส่แล้วนั่งต่อนั่งต่ออ <c oughs> ไม่ถอยนะค่ะห <c oughs> ลวงพ่อก็เคยเป็นค่ะ <c oughs> ตอนนั้นปีสองหกค่ะสองหกนะเจอหลวงปูดูลมาได้ปีนั่งสมาธิก็หลับค่ะ <c oughs> ขนาดนั่งขัดสมาธิเพชรนะหลวงปู่สิมสอนขัดสมาธิเพชรนะเจ็บจะแย่เลยยังหลับเลย <c oughs> เดินจงกรมนะึกเดินชนข้างฝาเลยนะจิตเป็นหลับลูกเดียวเลย <c oughs> เป็นเดือนเลยนะแก้ไม่ตก ไปกราบหลวงปู่สิมบอกหลวงปู่ผมเป็นไรผมแก้ไม่ตกจิตมันหลับตลอดเวลาหลวงปู่ยิ้มหวานเลยบอกว่าผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรผู้รู้ทำไปเถอะค่ะหลวงพ่อก็บอกอย่างนี้แหละตกลงก็นั่งหลับต่อนะคะกราบขอบพระคุณค่ะจิตมันเบือ่อจิต ม, มันเห็นทุกข์นะเห็นทุกขนะ์แล้วมันยังไม่มีทางออกมันก็หลบมีนิพพิทา ค่ะกลาบนามัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็ติดมันติดตีอ่ะค่ะแล้วทีนี้มันก็อยากจะวางดีซ้ําซ้อนลงไปอีกมันก็เลยโคตรจะทุกข์อะค่ะก็ช่วยไม่ได้ทีนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องทุกข์แล้ค่ะทีนี้ทีนี้มันก็เลยเหมือนกับแบบมันมีจิตอีตัวหนึ่งที่มันไม่ยอมมันเหมือนกับเศร้าอะ่ะเศร้ามากอืแล้วก็เริ่มท้อแท้เริ่มเมื่อน่ายอยากจะออกจาก ท, ท, ทุกข์ ท้อแท้ก็ได้รู้ว่าท้อแท้ทีนี้มันก็ไม่ชอบการท้อแท้เออไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมันก็เลยอยากจะมีกำลังจิตท้อแท้ได้เองค่ะใช่มันทำงานเองจิตเบื่อความท้อแท้ได้เองมีแต่เป็นเองนะค่ะเป็นเองหมดเลยแต่ใจไม่เป็นกลางเออปัญหาอยู่แค่นั่นเองค่ะเขาแสดงธรรมะให้ดูอยู่แล้วนะว่าไม่ชอบดูมันไม่ใช่เรามันเป็นเองมันเป็นอนัตตามันทางานของมันได้เอง แต่เรายอมรับไม่ได้ไม่ได้เลยยอมรับไม่ได้ก็ทุกไปก่อนเรียนรู้ไปเรื่อยนะจนวันนึงมันต้องยอมอยากกลัวทุกค่ะอยากกลัวทุกนะใช่หนูยอมรับว่ากลัวกลัวบางทีมันว่าไปทั้งตัวนั่นแหละกลัวมากไปกลัวมากไปอ่อนแอเกินไปใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องทํายังไงต่อไปคะต้อสู้เอานะถึงยังไงก็หนีไม่รอด ก็ความทุกข์เนี่ยการเขี้ยวกลางเล็บอยู่รอบตัวเราเลยหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกถ้าเชิญหน้ากับมันไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางไม่มีทางให้ให้เลือกหรอกคนในโลกเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์นะจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็จมอยู่ในความทุกข์แต่การที่เราปฏิบัติเรารู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์วันหนึ่งนะจิตถึงจะพลากออกจากขันได้ จิตพลากจากขันได้ก็คือพลากออกจากทุกข์ได้คคนทั้งหลายกลัวความทุกข์นะแต่คนทั้งหลายรักตัวเองรักกายรักใจของตัวเองไม่รู้เลยว่ากายกับใจนั่นแหละตัวทุกข์ใช่มันพยายามจะดึงเซลล์กลับมาตลอดเลยเ อ, อนะเราอะไรเกลียดทุกข์ในขณะที่เรารักทุกข์รักกายรักใจใช่ค่ะมันขัดแย้งกันมหาศาลนั่นแหละถ้าขัดมาก ม, ากมากต้องปรึกษาจิตแพทย์ หนูเกือบจะไปแล้วอะ่ะแต่ว่าเอิญมันมีสติพี่นวกอนอเขี่ยท์เขี่ยทแล้วแหละทีนี้เรื่องคําบริกา ร, รมมาหลวงพ่อเคยบอกว่าให้พุทโธมันก็เอาอยู่แค่ระยะเดียวอืมแล้วเดี๋ยวมันก็ไปขยับมือเดี๋ยวมันก็กลับมาอีติทีโสเมืเออเ่อหมอแค่ให้ใจโรเลอ๋อค่นะใจให้มันเด็ดเดียวไปหลวงพ่อเจออจามหาบัวถ้าเราว่าท่านพุทโทแล้วแต่ต้นจนจบเลยนะส อ, อนอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ใช่พุทโธแบบนกแก้วนกขนทอง แล้วพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วจิตหนีไปรู้ทันพุทโธแล้จิตเป็นสุขรู้ทันจิตเป็นทุกรู้ทันคือบางครั้งมันมีการรู้สึกพอพุทโธแล้วมันก็ไม่ไม่สนใจมันก็ยังซื้อบื้ออยู่อะ่ะไม่หรอกจิตมันฟุ้งซ่านจิตหนีไปเที่ยวที่อื่นถึงหนีไปที่อื่นนะไม่นานก็เบื่อจะต้องหนีต่อไปอีกออืมไม่มีที่ให้หนีหรอกมีแต่ทุกจ้องสู้เอาก็คือต้องเด็ดเดี่ยวให้มากใช่ใชขึ้นขึ้นนั่นแหละต้องเด็ดเดี่ยวขอบพระคุณค่ะ ก, การนมัสการหลวงพออ่อได้ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแล้วก็ช่วงแรก ก, ก็ก็จะเห็นผลแตกต่างนะคะแต่พอช่วงนี้เราใช้วิธีดูลมหายใจเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มีความรู้สึกตัวก็พยายามดูจิตแล้วก็ดูพยายามจะ เ, เหมือนกับแยกธาตุขันตัวเองอะคะ่ะแต่ออทีนี้ไม่สรู้เหมือนกับมันไม่ค่อยคืบหน้าเมื่อเทียบกับช่วงแรกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มันไม่บวาเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ละเอียดประณีตแล้ว ไม่ใช่งานระดับจับกลังแล้วนะอองานที่พอจิตมันแยกธาตุแยกขันได้แล้วเนี่ยเป็นงานที่ต้องเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ํำอีกละเหมือนกับตัวเองคิดนําแล้วยังไม่รู้สึกเองนีงไม่ทราว่าจะดูเไดม เ, เห็นไหมไอ้ตัวนี้สายหน้าแวบหนึ่งค่ะเห็นไหมไอ้ตัวนี้พยักหน้าเนี่ยดูมไปเรื่อยๆนะแล้วถ้ามันหนีไปคิดรู้ทันให้คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆไว้นะมันหลอกเอา แล้วตอนนี้รู้สึกเบื่อเบื่อเจเลยไม่ทราบว่าเบื่อเบื่อจากความหลงคิดเองหรือว่าเบื่อเพราะเบื่อจริงๆเบื่อจริงๆไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรให้พาเพิ่มเติมไหมคะก็ดูทุกไปมีให้ดูเยอะอะไรเลยนะดูขันไปนั่นแหละขันนั่นแหละตัวทุกดูจนมันแจ้งนะมันแจ้งโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุก นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจิตจะพลากออกจากโลกได้แต่ถ้ายังไม่เห็นทุกข์นะไม่ไม่ปล่อยอย่างพวกเราเนี้ยเรารู้จักทุกข์ไหมรู้สึกไหมว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์รู้สึกไหมแน่จริงหรอแน่ใจไหมพวกเรารู้สึกได้แค่ว่าร่างกาย เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากเราไม่ได้เห็นร่างกายเป็นทุกข์นึกออกไหมจิตใจเราก็รู้สึกไหมจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะต้องปัญญาแก่กล้าจริงๆจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขจิตนี้ก็มีทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่ทุกข์กับสุขถ้าเห็นทุกข์ได้ขนาดนี้นะเห็นกายเป็นทุกข์ได้ขนาดนี้จิตจะปล่อยวางกาย ทุกวันนี้ปล่อยกายไม่ได้เพราะว่ายังมีสุขเหลืออยู่ยังรู้สึกว่ามีทางเลือกเพทุะจะหนีทุกจะหาสุขตลอดเวลาจิตใจเราก็ยังรู้สึกมีสองอย่างจิตใจที่สุขจิตใจที่ทุกข์ใช่ไหมมันยังมีทางเลือกมันไม่ปล่อยจิตหรอกต้องเห็นทุกข์จริงๆนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้เราถึงข้ามโลกได้ ถ้าข้ามนะจิตพลากออกจากขันนะเราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยมีในโลกนะเรียกว่าสุขปางตายที่ในตําราชอบพูดว่าฆราวาสบรรลุพระอราหันตะ์ไม่ได้บวชตายเลยทําไมตายมันสุขเกินสุขเกินไปแต่ชีวิตพระมสงบสันติอยู่แล้วนะพื้นฐานมันมีความสุขอยู่แล้วไปสัมผัสความสุขอย่างนั้นเขาก็พอทนไหว คารวะเนี่ยสัมผัสแต่ความทุกข์นะไปเจอความสุขขนาดนั้นทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ตายแต่อย่า ก, กลัวนะอย่า ก, กลัวนะมันเป็นความสุขซึ่งหาไม่ได้พอพ า, านาเข้ากลควหมดหรือยังยังไม่หมดเหรออว่าไปกลับกลับนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก่ อ, อ, อ, อส่งการบ้านเจ้าค่ะฟังซีดีพระอาจารย์ อ่าก็ปฏิบัติฝึกจิตตามที่พระอาจารย์ได้สอนนะคะแต่ต้องใช้ความอดทนมากทีเดียวอดทนนะต่อสู้เจ้าค่ะสูแล้วก็ขาดตอนไม่ได้นะใช่ค่ะต้องสู้นะนะ น, นี่ก็ยังต้องสู้เจ้าค่ะสู้แต่ทีนี้หลวงพ่อนะภาวนาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะเจ้าค่ะเราส่งกันบ้านเสร็จนะพระมา ถ, ถามเลยนะว่าโยบทําได้ไงพวกผมทําตั้งแต่ตื่นจนหลับเราดูทั้งวันอนะ่ะยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิด เวลาที่ทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยมันดูไม่ได้ก็ เ, เว้นมันไปมันต้องทำมาหากินอยู่กับโลกเวลาที่เหลือเนี่ยดูไว้เจ้าค่ะดีเจ้าค่ะทีนี้ก็ก็ตอนนี้ก็คงจะขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะให้ต่อภาวนาคือตอนนี้ยังดูเรื่องจิตกับเจตสิกที่ทํางานร่วมกันนะเจ้าค่ะทำไมล่ะจิตกับจิตจิตจิตแล้วก็จิตเจตสิกเจ้าค่ะทําไมล่ะคือยมยมยมพิจารณาตรงนี้ ไม่ต้องพิจาอะไรมากหรอกดูไปนะความสุขก็ไม่ใช่จิตใช่ไหมความสุขมันเป็นเจตสิกเนี่ยความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตกุศลอคุสลก็ไม่ใช่จิตนะเป็นที่สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเท่านี้แล้วทั้งทั้งจิตทั้งเจตสิกเน่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยมันเกิดดับไปด้วยกันนะพร้อมๆกันเลยอยากคิดเอานะต้องดูเอาของจริงๆ เ, เดี๋ยวมันโกรธกอเห็นพอโกรธเรามีสติรู้ทันก็หายามันโลบเพื่อมามีสติรู้ทันก็หายานะไม่ต้องไปคิดทางทฤษฎีเลยนะดูของจริงรที่ฝึกอยู่ใช้ได้อขอพระคุณในเมตตาจิตแบบหลวงเจา้าค่ะกับนวมัส ก, การครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาสามสี่ปีแล้วแต่ว่าชอบไปฟุงซานแล้วก็คิดมากครับแล้วก็ลังเลสงสัยแล้วก็เลย เลยทําให้มีทิฏฐิมานะเยอะคิดว่าปฏิบัติถูกครับก็เลยมีญาติธรรมมาแนะนําว่าแนะนําให้ปฏิบัติให้แบบรู้ซื่อไปครับก็เลยมาสองสามวันนี้ก็นานํามาปฏิบัติครับแล้วก็ทําให้เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นกายเห็นใจกันมากขึ้นครับผมก็เลยจะมาขอคําแนะนําหลวงพ่อว่าจะทํายังไงต่อไปครับนี<ม>่แหละก็รู้ซื่อไปรู้อย่างที่มันเป็นแต่ว่าจิตมีทิฏฐิมานะอะไรขึ้นมานะ ก็ร <sk ill an> ู้ซื่อๆอีกนะไม่ใช่ไปห้ามมันได้เหมือนก็ห้ามไม่ได้เหมือนกัน <sk ill an> สภาวะใดๆเกิดขึ้นก็แค่รู้เท่านั้นแหละแล้วก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไป <sk ill an> การที่เราเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไป น, นี่ก็คือการเจริญปัญญาเราจะรู้เลยสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะไม่คิดเอาจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่บ้างถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่มันจะฟุ้งนานครับก็ขอบคุณมากค่ะนมามสการค่ะเมื่อก่อนโยมเห็นรูปไม่เที่ยงแต่เมื่อก่อนโยมเห็นรูปไม่เที่ยงอืแต่ว่าจิตไม่เที่ยงโยมไม่เห็นแต่วันนี้โยมเห็นแล้วว่าจิตไม่เที่ยงเป็นยังไงเออนะถ้าอย่างไีค่อยรู้เรื่องที่หลวงพ่อสอนหน่อยค่ะเราพูดว่าจิตเที่ยงว่ะเพราะจิตเที่ยงมันฮินดูนะ <laughs> กตอนนี้เแล้ว่าจิตไม่เที่ยงเป็นยังไงเสร็จแล้วยอมเห็นขันห้าเป็นทุกข์เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์อ่ะเพราะว่าจิตอ่ะมั น, ม, นมันเกิดจากภาษาไปกระทบพอไปกระทบปั๊บจิตบุงแต่งมันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ยังไม่พอนะยังไม่มันยังคิดนํานะยังเจือการคิดเดี๋ยวค่ะต้องดูอีกต้องดูต่อไปว่าใช่อย่าไปคิดนํามันอย่าไปคิดนําเอำน ะ, ค, ะคิดนํานิดหน่อย พอได้แง่มุมในการดูถัดจากนั้นดูรูปเดี่ยวเลยครู้มันทํางานเห็นมันทํางานอันนี้ที่ที่เราสรุปออกมาว่าเห็นทุกเห็นทุกอะไรเราสรุปด้วยการคิดเอาอนะถ้าไม่ใช่สรุปด้วยการคิดสรุปด้วยจิตจริงๆมันจะล้างกิเลสไปแล้วพอมีวันหนึ่งยมนอนแล้วยมก็ดูว่ากายที่นอนเนี่ยไม่ใช่เรานอนอืรูปมันรูปมันนอนอันนี้คิดไหมหรือว่าเห็นไม่ได้คิดคือเห็ไม่คิดนดีไม่ได้คิด คือเห็นในสภาวะเหมือนจิตมันว่างแล้วก็ดูเหมือนเห็นรูปมันนอนอย่างจิตเป็นคนดูนะไม่เห็นรูปมันนอนอยู่จิตเป็นคนดูอยู่ยงั้นถึงจะถูกนะแต่อย่าจงใจนะมันเห็นก็ไม่ได้จงมัใอคือสภาวะตรงนั้นมันเหมือนกับว่าจิตมันโป่งแล้วมันดูว่าเนี่ยรูปนอนนะไม่ใช่เรานอนจิตมันมีสมรรถที่แท้จริงมันเป็นผู้รู้แล้วล่ะคืลักษณะอย่างนี้คือจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูใช่ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูแยกรูปแยกนามไม่ออกหรอก แล้วก็เห็นว่าแล้วรูปมันรูปมันนอนแล้วขันห้ามันนอนไม่ใช่เรานอนใช่ใช่เสร็จแล้วพอมีวันหนึ่งโยมก็เห็นว่าคนที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่คนไม่เป็นเพียงแค่สีใช่เพียงแค่สีเสร็จแล้วเนี่ยพอจิตมันขาดสติไม่เห็นว่าเป็นคนคนเป็นคนอืแต่พอว่าจิตมีสติหน้าวันนี้ขนาดนี้ที่เห็นก็เคยเห็นว่าหลวงพ่อเป็นสีแต่โยมไม่แน่ใจว่าในขนาดนี้ที่เห็นหลวงพ่อเป็นสีเนี่ยจิตปรุงแต่งไหมหรือว่าโยมเห็นจริงมันแต่งอยู่แต่งอยู่ใช่ไหมมันจําได้ว่าต้องดูแบบนี้นะ นั่นจิตมันจะฝืนๆนิดหนึ่งแล้วโยมจะต้องจะต้องทํายังไงเพื่อที่ให้จิตมันคลายหรือมัปรุงแต่งปล่อยตัวนี้ะตัวที่ตรึงเอาไว้ตึงตึงด้วยโมหะหรือตึงด้วยอะไรคะด้วยโลภะด้วยโลภะด้วยความอยากอยากเห็นได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่างเราเห็นสีเนี่ยดีแล้วแต่พอเราจําได้ว่าเห็นสีเนี่เราจะขยับจิตนิดหนึ่งจะตรึงขึ้นมานิดหนึ่งนะใช่มาตรึงแบบเนี้ย อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ของปลอมของปลอมเราต้องจะไม่ตัดนะเห็นจะไม่ร้างกิเลสเลยมันจะเป็นกูเก่งแล้วโยมจะต้องทำยังไงให้เขาคลายจากการตึงนะคะรู้ทันว่าตึงอยู่รู้ทันว่าตึงอยู่คือสรุปแล้วทั้งหมดที่หลวงพ่อสอนมาทั้งหมดอยู่แค่การรู้สึกตัวทั้งสิ้นไม่รู้รู้สึกตัวขึ้นมานะถัดานั้นดูรูปนามมันทำงานอ๋อดูรูปนามทางานด้วยความรู้สึกตัว เพฉะนประโยคที่หลวงพ่อสอนที่เป็นหลักเลยก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงานหลักจริงๆงานของมิปัสสนากรรมฐานจริงๆก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจริงถ้าพูดให้ถูกก็คือมีสติรู้รูปนามตามความเป็นรจริงคําว่าความจริงคือไตรลักษณ์นะไม่ใช่อื่น breakout. แต่เราจะเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยการด้วยการไม่เข้าไปแทรกมันใช่ แล้วก็ไม่ได้ประคองตัวผู้รู้ผู้ดูไว้ได้วยนะถ้าประคองตัวผู้รู้ผู้ดูนะไปติดสมถะอีกแบบหนึง่ง <c oughs> แล้วอย่างยมไม่เคือจิตยมไม่นั่งสมาธิไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่เดินจงกรมไม่อะไรทั้งสิ <c oughs> ้นเขาภาวนาอย่างเดียวการภาวนาก็ครึ่งคึ่งกลางการภาวนาก็คร <c oughs> ึ่งคึ่งกลางคือเหมือนกับว่าหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างรูง้บ้างควรจะทําในรูปแบบด้วยนะไมงั้นนานแต่ยังไม่มีกําลัง โยมก็เห็นจิตไม่มีกำลังอยู่เหมือนกั น, น <ะ S 2> แต่ว่าเขาไม่ยอมนั่งสมาธิเออนะหาในรูปแบบทําเช่นพุโทโธพุโทโธไปก็ยังดีรู้สึกว่าเวลาท่องพุโทโธเฉยๆรู้สึกจิตมีกําลังมากใช่พอจิตมีแรงแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานงั้นโยมไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้แต่ไว้ท่องพุโทโธรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไปเลยพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องนั่งมากก็ของเก่าถ้านั่งมากแล้วจะไปติดเพ่งอีกค่ะติดเพ่งจิตเหมือนเขาเหมือนก็ว่าก็มีปัญญารู้วว่า การนั่งสมาธิติดเพ่งเขาไม่เอาเลยเพราะอะไรพาะมสุดโตงไปค่ะสุดโตงไปข้างจะเจริญปัญญาอย่างเดียวค่ะเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่ได้หรอกจิตจะไม่มีแรงค่ะยังต้องฝึกให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นช่วงๆไปก็คืออาจารนั่งสมาธิบ้างนิดๆหน่อยๆก็ให้ได้พักวาัใจเริ่มลงไปอยากเิ่เก่ากัแล้วกันอ๋อก็คือพูดง่ายว่าพอนั่งปับก็ให้รู้กายรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวแต่เห็นร่างกายหายใจจิเป็นคนดูไม่วักแวกไม่พีนาอะไรทั้งสิ้น ไม่เอาใจโลง่งใจรักก็ไรไม่ปรุงแต่งสนุปแล้วไม่ปรุงแต่งคือไม่ดูใจรักอะถ้าจะทําสมถะไม่ดูใจรักใช่ไห ม, มดูตัวมั น, เ ห, นเห็นร่างกายมันหายใจอยู่จีตเป็นคนดูอยู่แค่นี้พอแล้ได้สมถะดูนะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นดูเหมือนถึงดูลมหายใจ ด, ดูสภาวะาดูาดูร่งกายหายใจอย่างงี้ก็ได้นะจริงสมถะงา่ายใช้รมอะไรก็ได้ใช้รมบัญญัติก็ได้ใช้รูปนามก็ได้ใช้นิพานก็ได้ ยมเห็นจิตตัวเองมีโมหะค่อนข้างมากอ่ะค่ะดีที่เห็นมีมาน้ำมากด้วยมากมหาสาลเราโยมรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งมั่นในการที่ข้าออกจากกองทุกข์จริงๆโยมเห็นว่ากิเลสตัณหามันกอดรัดฟัดเวี่ยงเรามากอืมตัวนี้เรียกว่าทิฏฐิเราก็ยึดในความเห็นนี้รู้สึกไหมค่ะนี่แหละอันเนี้ถูกแล้วแต่โยมก็เห็นว่ามันมันก็ผิดแต่ว่า โยมก็ไม่รู้ทํายังไงถึงจะให้มันคลายจากโมหะคลายจากทําให้ถูกไม่ได้นะให้รู้ว่ามันผิดแล้วมันจะถูกเองอ๋อ oh, ให้รู้ว่ามันผิดเออนี่เป็นเคล็ดลับนะสาธุค่ะกว่าจะได้เคล็ดลับตัวนี้นะว่าภาวนากันปางตายที่ถูกทําไม่ได้ทําไมทําไม่ได้แค่อยากทําก็ผิดแล้วแต่ถ้ารู้ว่ามันทําผิดอยู่นะมันถูกของมันเองงั้นโยมขอคําชี้เ น, นี่ยขอแบบเอาไม้หน้าสามเลยค่ะหลวงพ่อทุบเลยค่ะ ดูกูเก่งไหมดูกูเก่งใช่ไหมยรับคูเก่งไว้แล้วก็ความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นออืยึดถือในความคิดความเห็นแรงมานะทิชชีเนี่ยแรงค่ะนะนี่เรียนแบบไม้หน้าสามนะค่ะเอขอบคุณมากเลยค่ะกลาขอป็กล้าให้ค่ะกล้าขอเพราะอยากจะคนถูกค่ะเออต้องอย่างนั้นกราบนรรสการค่ะหลวงพ่อออืหนูมีอยู่สามเรื่องค่ะ คือแต่ว่าเร่าสั้นๆได้ค่ะคือว่าช่วงหลังๆมานี้เวลาที่หนูสวดมนต์ทวัดเต็มนะคะหนูจะก็คล้ายๆพี่คนนั้นหนูจะหลับแล้วก็ร้องไห้ค่ะแต่ไม่ใช่เกิดจากความเศร้านะคะให้รู้ทันได้เวลาปีติมันครอบงำจิตอ่ะก็ต้องรู้ทันไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรอก มีปีติเกิดขึ้นรู้ทันเลยไม่ใแยกออกไปจัดจิตไม่ใช่จิตหรอกแล้วไงอีกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหนูเห็นว่าตัวเองคิดไม่ดีอะค่ะ อ, อย่างมันจะมีคำพูดหรือว่าภาพอะไรที่หนูไม่เคยเห็นไม่เคยมไม่เคยดูโผล่ขึ้นมา เห็นเขาทำงานไม่ใช่เราดูอย่างนี้บ่อยๆห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้ไปฝืนมันไม่ได้ให้มันจะคิดอ่ะข้อสามแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือหนูได้รู้ในสิ่งที่ที่หนูไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะอย่างเช่นหนูหนูไม่เคยตีขิมมาก่อนเลยแต่ว่าพอหนูจาบปุ๊บหนูสามารถทําได้เลยอะค่ะก็เรื่องปกตินะธรรมดา คือมันอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจขนาดนั้นนะตีได้ก็ดีแล้วล่ะค่ะของมันเคยตีมือตีได้เราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวหรอกนะคนต่อไปกราบน้ำมการค่ะพระอาจารย์หนูทุกวันหนูจะต้องนั่งรถไปทำงานเกือบสามชั่วโมงหนูก็ใช้เวลาบนรถนั่งพุทโธพุทโธเสร็จแล้ว หนูก็จะรู้สึกก้นกระทบกับที่นั่งแล้วก็เท้าสัมผัสพื้นนะคะถ้าหนูรู้สึกอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยหนูรู้สึกถูกหรือเปล่าคะได้สมร tha ท, ทำ<ม>อะไรหนูจะโด น, นะมนะเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยไม่เอาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรอกนะนเห็นตั้งขึ้ น, นทั้งตัวเนี่ยเออมันเคลื่อนไหวเห็นมันหายใจเห็นมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดู ถ้าเราคอนเซนเทรตลงไปจุดใดจุดหนึ่งเนเท้ากระทบพื้นเราไปคอยกําหนดอยู่ตรงนั้นนะจิตเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าถ้าสมมติหนูรู้สึกอย่างนี้ที่แบบนี้มันอย่างนี้แข็งไปแข็งไปค่ะต้องเบากว่านี้ถ้าเบาสบายสบายค่ะหนูก็รู้สึกแน่นนะคะแน่นสิค่ะจงใจรู้สึกแล่ะรู้สึกนะจงใจไปกําหนดไว้ค่ะอย่าไปกําหนดเอาแล้วก็คือให้รู้สึกทั้งตัว รู้สบายสบายรู้ตัวตนตัวปลอมรู้สบายสบายถ้าทำทำยังไงหนูถึงใช้เวลาบนรถเมย์ให้มันเดินปัญญาได้คือดูไปด้วยการเดินปัญญานั้นไม่เดินยี่บสี่ชั่วโมงหรอกเพราะเรานั่งรถเมย์สามชั่วโมงนะมันเดินปัญญาบั่งทำสมถาบ้างหลงไปที่อื่นบ้างคมันไม่เดินปัญญารวดหรอกเดินปัญญารวดไม่มีหรอกแต่ทําสมถารวดะมี ปัญญารวดไม่มีทําปัญญาไปเจริญมิปัสสนาไปแป๊บเดียวนะเยียบพลิกเป็นสมถะไม่อัตโนมัติะจะสลับกันไปไม่ต้องกังวลพ้าที่ทาอยู่อย่างนี้ใช้ได้ไหมคะอะไรนะที่หนูรู้สึกอย่างนี้จงใจค่ะจงใจนะเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าโดยอย่างนี้ต่างหะค่ะอ่ะต่อไปกับนมัสการหลวงพ่อค่ะ เคยฟังหลวงพ่อแสดงธรรมที่ชนบุรีปี50เนี่ยนะคะแล้วก็ได้ซีดีมาก็พยายามฟังแล้วก็ปฏิบัติส่วนใหญ่จะเดินจงกรมได้ดีกว่านั่งสมาธิอะค่ะสมาธิจะหลั บ, บแล้วก็พยายามเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการเลี้ยงลูกอะคะอ่ะครนี้ก็ดูดวิปัสสนาในชีวิตประจำวันเวลาเขาแบบไม่ทําหน้าที่แบบไม่เชื่อฟังะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นตัวหงุดหงิดตัวโกรธเลยอะคะ่ะ แต่บางครั้งในหน้าที่ความเป็นแม่ค่ะบางทีเราโกรธมากเราเราจะอุเบกขาว่าเราเมตตากรานามิต า, า, ตาอะไรกับเขาหมดแล้วอ่ะบางทีมันเราทุกมากแล้วเราจะวางเนี่ยค่ะ <ười> แต่ความเป็นแม่มันมันวางแล้วเขาจะแย่ค่ะความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันนะ <ười> ความโกรธตับไปเหลือสติปัญญาเราจะต้องจะทําหน้าที่ของแม่และก็คือว <ười> างไม่ได้แม่ด้วยความโกรธนะความโกรธทําให้เราทําหน้าที่ของแม่ไม่ดีต่างหาก แล้วความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธ ด, ดับเนี่ยมีสติปัญญาไปดูว่าเราจะอบรมลูกอย่างไรมีหน้าที่ไม่ใช่อุเบกขานะอ๋อค่ะก็เคยลองทําแต่เขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแล้วเราจะเกิดว่าทําไมเราต้องเจอซ้ำซ้ำซ้ำ ม, มันจะเหมือนเอ๊ะทําไมดับไปมันไม่เห็นดับมันก็มาใหม่ทุกวัน<ร>อะไรเงี้ยเพราะปรัามันยังมีเห็นไหมเรายังมีความอยากแบบเดิมอะ่ะเราก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ทํางจริงลูกมันเป็นอย่างที่มันเป็น วนหนูไม่ได้อยากแบบว่าให้เขาเก่งอย่างนี้นะฮะอยากแบบให้เขามีชีวิตคือแบบทําหน้าที่คือถ้าเขาม่ทานข้าวเนี่ยท้องก็จะเป็นโรคกระเพาะถ้าเขาไม่นอนถ้าเขานอนของเขาก็จะไม่ดีอย่าะคะ่ะมากกว่าใช่ดูไปนะเราก็ทําหน้าที่ไปแต่เราขจัดความอยากของเราออกไปซะขจัดกิเลสในใจเรานะแล้วก็เลี้ยงลูกไปแบบไม่มีกิเลสลูกก็เป็นอนัตตาเหมือนกันแหละ ใครหลงบ้างยกมือซิมีสองพวกพวกหนึ่งยกมือถูกต้องนะพวกหนึ่งผู้ร้ายปักแข็ ง, <c oughs> งดูหลงแทบตั้งนั้นแหละหลงคืออะไรลืมกายลืมใจตัวเองห้าวเชิญการบรญการค่ะหลวงพ่อขออนุญาตการกาบเรียนถามว่าจิตตะสิขาค่ะ ความหมายของโฟกัสลงไปเล ย, ยาาคืออะไรจิตศิษขาเนี่ยเป็นวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเพราะฉนั้นเรามาเรียนรู้รู้เท่าทันเวลาจิตมันไหลไปเช่นเราพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดนะูเราเรียนเรื่องจิตเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตสําหรับการเจริญปัญญาเนะฉนั้นจิตศิกขาไม่ใช่นั่งสมาธิเอาความสงบ ศีนก็เป็นฐานไว้มีศีนที่มาจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสุขจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเนี่ยค่อยค่อฝึกขึ้นมามาฝึกจิ ต, ตจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วะก็มาเจริญปัญญาต่ออ่าคนสุดท้ายเอ้ยคนนี้ทำไมไปไหนแกจับฉลากได้ทุกทีเลยโชคไม่มีนะชาวพุทธนะ อืมอืมตาทุก้ตาทุกหัวรวยบุญหนุงข้อวันนี้แล้วไงอีกอ่ะในสามข้อเหลือสองข้อได้ไหมในสองข้อเหลือหนึ่งได้ไหม ไม่ได้แล้วนะอ้าวให้รู้ทันจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่อ๋อเหมือนสิอย่างเงี้ยสิตมันเตลิดออกไปนะมันก็ดูอะไรไม่ออกแม้ถ้าจิตเราก็เพื่อมกับเพื่อมนะเหมือนน้ำก็เพื่อมนะมองทะลุลงไปไม่ได้ ให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุง้งซ่านเอาข้อสองนนสอืมก็ดีดีกว่าไม่เห็นเลยเฮ้ย <c oughs> คิดเอาไม่ได้เรื่องหรอกคิดเท่าไหร่เขาไม่รู้เอาทีละนี้ก็ยังดีของโยมปัญหามันคิดมากไปรู้ความรู้สึกของเราเรื่อยๆนะอย่าคิดเอา ให้คิดเอาเราใจมันฟุง้งซ่านแม้ต่ออ้าวว่ามาโอ้มันโลบเนาะมันไปเดินด้วยความไม่โลบสิอืม ให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะปัญหาของโยมมันทับนั้นแหละ <c oughs> ใช่จิตมันฟุ้งซ่านนะให้รู้ทันไปงั้นจะพูดโทรจะอะไรก็เอาสักให้เด็ดเดียวไปเลยนะคนเนี้จับฉลากเก่งที่สุดเลยเจอทุกงานเลยในโอกาสบันนี้ก็ขอ ร่วมกันถวายสังฆทานพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยวกล่าวคําถวายตามนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอให้ทุกท่านตั้งนโม3จบไปพร้อมกันเลยนะครับนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกล่าวตามเป็นภาษาไทยนะครับ ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าขอน้อมถวายพระไตราจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพระไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทินรับถอนซะหน่อยนะได้ดูเหมือนฟังเทศจะขวดน้ำไหมขวดก็เฉือยะถาว่าริวหาปูราปริปูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามนิโชติระโสยทานสพีติโยวิวัตชันตุสภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีทิคายยโกภวะ อาภิวาทนาเสลิสนิจังุทธาปัจจายิโนจตารโรธรมาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังขอนุโมถนาท่านคณะบดีนะเนีย่ยการ บ, บันนี้ขอกับเรียนเชิญท่านคณะบดีกับท่านอาจารย์พันวดีเป็นตัวแทนประเคนสังฆทานนะครับสำหรับยอดกันเทศที่ร่วมทาบุญนั้นจำนวน 33,900 ื่นสาพันเก้ารอยบาทนะครับสาหรับยอดรวมสังฆทานเป็นเงินจำนวนสาม5มืห้าร้อยห้าบาทนะครับก็ถวายด้วยวาจากรแลกันนะของข้าปั จ, จ้าข อ, ข อ, อ, ขอยกให้โรงพยาบาลทำบุญร่วมกันนะโรงพยาบาลก็ทำบุญทุกวันอยู่แล้วช่วยผู้คนอะไรซื้อ เอาสนหน่อยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยกคืนให้ <laughs> ใครมีความสุขบ้างเนี่ยใครรู้อย่างนี้นะง่ายๆแค่นี้แหละเขายกให้โรงบาบาลนะเดีย๋ยวลงพ่อไปแล้วนะต่างคนต่างไปทำหน้าที่นะ